ไปในกันเล่าพวกราวนี้คนชาวตายบ้านพี่อยู่ที่ระ น, นองเฮ้ยไอน้องบ้านมึงโยนายบ้านพมนั่นอยู่เชียงใหญ่พมเป็นเด็กตายจังหวัดนครเฮ้ยสูมาทำรารโตใดจะกลับเมืองคอน ท น, นตายรักใครรักยิงไม่เหมือนผู้หญิงชาวพระนครผมไม่มาอีกแล้วจะขายมันแก้วอยู่แถวเมืองนคร รักสาวกรุงไม่ได้ผมรักสาวได้ต้องบอกแม่ก่อนคนตายต้องรักคนตายผมยังจำดาได้คำแม่สั่งสอนคนตายรักใครรักหญิงไม่เหมือนผู้หญิงชาวพระนครผมไม่มาอีกแล้วจะขายมันแก้วอยู่แถวเมืองนครจะร้ ปลูกส่วนปลุยอยู่กับคน